คือกรรมฐานนะมันเรียนเรียนไปต้องไม่ลืมเหมือน ง, งานหลักของเรานะศึกษาให้ดีก่อนเอาตัวเองให้รอดก่อนนะฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นไม่ใช่มุ่งแต่ฝึกผู้อื่นไม่ฝึกตนเองนีคนมาเรียนที่เราเยอะแยะบางคนไม่ได้รู้จักเรานะไม่เคยมาด้วยซ้าไปอนะไรเงี้ยก็ลูกศิทย์หลพรอประโมทเหมือนกันนะ เรียนได้นิดๆไหนๆก็มีวาทะที่เราไปประทะคนน้นคนนี้นะเจอใครก็อยากสอนไปหมดเลยมันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งเวลาภาวนาหัดเจริญสติเนี่ยเราต้องคอยระมัดระวังให้ดีบางคนนะบางคนมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งมันจะทุรนทุรายอยากจะสอนคนอื่นเจอใครก็อยากสอนหมดเลย ถ้าเจอพระสังฆราชมันก็คงสอนนั่นแหละมันเราร้อนใจทุลนทุลายถามว่าชั่วไหมไม่ได้เจตนาชั่วนะแต่มันไม่รู้ทันไม่มีสติรู้เท่าทันกิเลส ท, ที่มันครอบงำใจกิเลสลึกๆเลยคือความอยากใหญ่อยากเด่นอยากดังอยากใหญ่รู้ไม่ทันนะเจอใครก็อยากสอนไปหมดเลยแล้วก็สอนแล้วก็มีความสุขอัตตามันโตขึ้น เลินปื้มเรียกว่าบ้านน้ำลายมันก็ไม่ได้ว่าเป็นอาญา ก, กรรมอะไรนะแต่ว่าบางคนมันเป็นอย่างนั้นมันมีวิปัสสนูตัวหนึ่งป็นฟุ้งซ่านในธรรมะนี่แต่ถ้ามีสติมีปัญญาคอยสังเกตใจอุ้ยทําไมมันอยากพูดธรรมะทั้งวันหลายคนเป็นนะแต่ว่ามันไม่รุนแรงถึงขนาดร่วมเกินครูบาอาจารย์ มิปัสนูมันมีสิบอย่างส่วนมากก็คือคิดว่าตัวเองบรรลุมรรคผลเป็นพระรหันต์บ้างไม่เป็นบ้างเวลาปกติก็เหมือนคนธรรมดาไม่เหมือนคนบ้านะคนบ้าเนะี่ยมันบ้าจริงๆมิปัสนูเนี่ยมันไม่ได้บ้าแต่มันมีอาการเหมือนคนบ้าเป็นช่วงๆเวลาพูดธรรมะเวลาคิดธรรมะเวลาที่เค้าเคลียกับธรรมะแล้วมันจะเกิดบ้าขึ้นมา เรียกว่าบาธรรมะหลวงพ่อเคยเจอผู้หญิงคนหนึ่งรวยนะรวยวันหนึ่งจะไปทอดผ้าป่าหลวงตาจะมาที่จังหวัดนี้ปลื้มมากเลยเอาแบงค์ห้าร้อยใส่ตะกร้านะขอแม่มาเดินแจกมันทั้งตลาดเลยปลืมปลื้มปลืมไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าใจบุญไม่เป็นไร ในเวลาปกติเนี่เหมือนคนธรรมดาแต่ถ้าเวลาพูดธรรมะนะจะแบบขาดสติอย่างแรงเลยใจนี้จะกระเจิงเลยเตลิดเปิดเปิงร้องแคว๊แกแควๆปรับรื่มใจมากอย่างนี้ก็มีนะบางพวกก็บ้าน้ำลายอยากสอนสอนสอนหมดเลยสมัยก่อนลูกศิษย์หลวงปู่ดูลก็มีองค์หนึ่งท่านเป็นตัวเนี้ยท่านอยู่ ทางเขาผนมรุงนะ้งเน่ะพาท่านเกิดตัวนี้ขึ้นมากำเริบเนะ่ท่านเดินมาสุรินทร์เมื่อก่อนมันไม่มีรถ เ, เดินมานะจะมาปลดหลวงตาดูลไม่ใช่พ่อแม่ครูอาจารย์ลนะเป็นหลวงตาดูลนลนะ้มาเดินมาถึงปัตบุลนะกลางคืนนะั้นมาถึงก็เคาะประตูเคาะเรียกตามกุฏิพระนะเร็ยว่วพระลระหันมาแล้วมาฟังเทศ นะเรียกหลวงตาดูลมาฟังด้วยเรียกพระอื่นมาฟังด้วยหลวงปู่ก็รู้ว่ามันไม่ใช่นะท่านก็ให้ไปพักอ้าพระอะหันเหนื่อยมาให้ไปพักก่อนนะตอนนี้คนอื่นเนี่ยกำลังง่วงนอนฟังทําไม่รู้เรื่องให้พระอะหันผู้เข้มแข็งพักไปก่อนเสร็จแล้วท่านก็พยานะพยามแก้นะพยายามแก้พยายามสอนไม่หายสุดท้ายท่านใช้ไม้ตายท่านดา่า ไปสัตว์นรกไปด่าโอ้พระอราหันต์โกรธคือท่านยั่วให้จิตมันเคลื่อนออกมาจินไปเกาะอยู่กับอารมณ์แล้วก็เคลิ้มเคลิ้มนึกว่าเป็นพระอราหันต์แล้วบ้าน้ำลายท่านด่าเปลี่ยงเขาเ้าไปนะโกรธขึ้นมาเอาละหลวงตาดูลไม่ใช่แม่กูกูไม่สอนก็ได้ <c oughs> ท่านก็คว้าเอาไม้กวาดมึงแบกใส่นึกว่าโกรธ เดินออกไปจากวัดบูรณ์นะตัดลงทางใต้ไปนั่นแะไปถึงว <re> ัดป่าโยธาประสิทธ no. ิ์เดินไปสามกิโลเกิดสติขึ้นมาว่าเฮ้ยโกรธเนี่ยไม่ใช่พระอรหันต์หรอกคนนี้นานนะอาจจะรู้สามกิโลในข้าวัดป่าโยธาประสิทธิ์นะไปพักพอให้ผ่อนคลายแล้ว เข้าไปหาหลวงปูโชตโลปูชชลป่ชตลุกเสิ็จหลวงปูชชป่ดูลงกันเสร็จแล้วท่านก็พากลับมาขอขอมาครูบาจารย์ก็ไม่ว่าอะไรดอกมันติดกันครูบาจารย์ไม่ได้โกรธแค้นอะไรกระบวนการดา่าก็แก้ได้หลายคนนะมีผู้หญิงคนหนึ่งไปวัดบรมนิวาไปคุยอวดเจ้าคุณอุบาลีดิฉันไม่โกรธดิฉันไม่มีความโกรธ เจ้คุณบูบาลีสวนกลับลอีตอแล้วโอ้พระนาคาโกรธแล้วนะเดินตุ๊ปังตุ๊ ป, ปงองออกจากวัดไปแนะล้พลนวัดก็ น, นึกขึ้นได้นี่ไม่แรงมากกลับไปขอขมานะมีปัจนมีแปลกๆนะบางทีก็เพ่งสติสติแรงไปมีสติทั้งวันมีสติทั้งคืนจนกระทั่งเครียด สติกล้าแข็งเกินไปเครียดไม่ใช่สติบ่อยเกินไปนะสติยิ่งบ่อยยิ่งดีแต่สติกล้าแข็งเกินไปไม่ดีกล้าแข็งเนี่ยทำให้ดูเนี่ย <Yeah. S 1> ถ้าทาสติกล้าแข็งเนี่ยนะจะทุกอย่างจะชัดไปหมดเลยจะชัดจะคมกริบไปหมดรู้สึกน่ากลัวไหมเนี่ยสอบตา <Yeah. S 1> น่ากลัวไหม <laughs> ไม่มีความสุขนะ <Yeah. S 1> มีหลายแบบนะ วิปัสสนูมีสิบแบบไปกลางตำราเอาขาแล้วกันพวกนี้ไม่ได้ชั่วนะแต่พวกนี้สู้กิเลสไม่ได้ไม่มีความรอบครอบในการปฏิบัติแล้วถูกกิเลสตัณหามันลากเอาไปไม่รุดเรือรูดตัวเราก็อย่าไปหัวเราะทุกคนมีโอกาสถ้าไม่ใช่พระโสดาบันนิดเราภาวนาเนี่ยวิปัสสนูมันจะเกิดตอนที่เราเริ่มทำวิปัสสนาใหม่ๆนะ ตอนที่เริ่มทํำวิปัสสนาเนี่ยก่อนจะขึ้นวิปัสสนาแรกเลยต้องแยกรูปแยกนามก่อนเช่นเห็นร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจิตที่รู้ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเป็นอีกส่วนหนึ่งเริ่มอย่างนี้ก่อนบางคนดูท้องพองยุบเห็นท้องพองท้องยุบเห็นร่างกายที่พองที่ยุบเป็นส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้พองรู้ยุบนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งนี่ต้องแยกกายกับจิตนะไม่ใช่แยกไกายกับกาย บางคนเข้าใจผิดคิดว่ารูปยกกับรูปย่างคนละรูปเนี่เรียกว่าแยกรูปแยกนามไม่ใช่อันนั้นแยกรูปกับรูปไม่ใช่แยกรูปแยกนามหายใจออกกับหายใจเข้าคนละอันกันท้องฟองท้องยุบคนละอันกันอันนี้แยกรูปกับรูปไม่ใช่แยกรูปกับนามก่อนจะเริ่มทำมิปัสสนานี่ขั้นแรกเลยต้องแยกรูปกับนามงั้นยานที่หนึ่งชื่อว่านามรูปปริเฉทยานแยกรูปกับนามปริเฉตแยกออกไปนะ ปริเสทยาณทำให้มันแตกออกไปพอแยกรูปแยกนามแล้วคราวนี้ก็ค่อยๆเห็นไปเออรูปตอนนี้กับรูปในอดีตไม่เหมือนกันนามปัจจุบันกับนามในอดีตไม่เหมือนกันนรู้ด้วยการพิจารณาเปรียบเทียบอันนี้ก็ยังไม่ขึ้นวิปรสนาตรงนี้วิปรสนูยังไม่เกิดตรงที่จะเกิดวิปรสนูเนี่ยจิตขึ้นมีปรสนาแท้ๆก่อน แต่เป็นวิปัสสนาอ่อนๆเขาเรียกตารุนะวิปัสสนาตาลุนตาุนเน่ตลุนหรือเด็กๆวิปัสสนาเด็กๆ <Yeah. S 1> ไม่ใช่วิปัสสนาผู้ใหญ่วิปัสสนาเด็กๆก็เห็นรูปเห็นนามเนี่ยเกิดดับเป็นปัจจุบันนะ <Yeah. S 1> อย่างเห็นรูปนามเนี่ยรู้สึกเลยตัวที่เคลื่อนไหวอยู่นี่ไม่ใช่เราอ่ะรู้สึกอยู่อย่งี้เห็นรูปตรงนี้รูปตรงนี้เหมือนคนละช็อตเลยเห็นรูปใจอยู่ต่างหากนะใจไม่ได้เพ่งเข้าไปในรูป พราะเราหลายคนที่ฝึกเพ่งรูปเนี่ยจิตมันไหลเข้าไปอยู่ในรูปอันนั้นทําผิดเพราะว่ายังไม่ได้แยกรูปแยกนามต้องแยกรูปแยกนามก่อนเราวเราจะเห็นในรูปนี้มันเกิดดับนะอย่างมันจะเห็นเหมือนดูกระตูนเห็นเป็นชัดๆๆเห็นนรูปเข้ารูปออกรูปฟองรูปยุบเน่ยขาดจากการเป็นช่วงช่วงช่วงหรือเห็นรูปมันกระจายตัวไปมันไม่ใช่เราออกไปอยู่ห่างๆไม่ใช่เราเราเห็นเวลาดูจิตดูใจ ถ้าขึ้นมีปรัชนาแล้วก็จะเห็นความเกิดดับเห็นจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดับไปมีช่องว่างมาขั้นดวงนึงเกิดขึ้นดับไปมีช่องว่างมาขั้นหรือบางทีก็เห็นนามาทํากระจายตัวออกไปเห็นจิตอยู่ต่างหากนะเห็นความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์แยกออกไปเห็นความจําได้หมายรู้แยกออกไปเห็นกุศลและอกุศลทั้งหลายนี่แยกออกไปไม่ใช่จิตแยกออกไปอีกนกระจายออกไปกระจายออกไป วิปัสนาเนี่ยมันจะเห็นวิปัสนาแท้ๆจะเห็นสองอันอันนึงเห็นสันตติคือความสืบเนื่องมันขาดเห็นรูปอันนี้กับรู ป, นนรปนานาอันนี้คนละรูปเห็นกนละรูปเห็นนามอันนี้กับนามอันนี้คนละนามนาสันตติมันขาดขาดยังไงเห็นนามอันหนึ่งกับนามอันหนึ่งนีขาดออกจากกาันมีช่องว่างมาคั้นมีช่องว่างมาขัา้นนี่สันตติขาดนะไม่ใช่ต่อเนื่องเป็นสายเดียวกันเหมือนสายน้ํา แต่เดิมเรานั่งดูจิตดูใจเราเหมือนดูน้ําไหลผ่านหน้าไปไหลไปเรื่อยไม่มีช่องว่าง น, ะนี่พอสติสมาธิแก่กล้าขึ้นมามันเห็นนะรูปนามมันเกิดดับได้เกิดแล้วดับนะอันใหม่กับอันเก่านี่คนละอันเห็นตอนหน้าต่อตาไม่ใช่คิดเอาถ้ายัางคิดเอาเรียกว่าสมาสัญาณ ย, ยังไม่ขึ้นมิปัสนาญาณมิปัสนาญาณ น, นี่ต้องอุทธยัปพยัญานชื่อมันไม่ต้องจําก็ได้นะไม่สาคัญหรอก ชื่อมันยาวรวมชื่อสิบหกชื่อนนะยาววาวกว่ากวาไม่ต้องจําหรือเห็นคณะอันหนึ่งเห็นสันตติขาดอันนึงเห็นคณะคณะแปลว่ากลุ่มก้อนเขียนด้วยอคอร์ลังห น, นหนูคณะมันแตกสิ่งที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะั้นมันแตกออกไปอย่างแต่เดิมเรารูปกันนามมันแยกออกจากกันรูปก็แตกออกไปอีกสิ่งที่เป็นรูปแตกออกไปสี่อย่างเป็นธาตุสี นามก็แตกออกไปเป็นสี่อย่างเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแตกออกไปนี่คณะมันแตกแล้วก็เห็นแต่ละอันแต่ละอันแต่ล ะ, ละสภาวะแต่ละสภาวะนะมันแยกย้ายกันทำงานแต่ละคนทำงานตามหน้าที่ของตัวเองเห็แม้กว่าจะขึ้นวิปัสสนาจริงๆไม่ใช่ง่ายนะนี่ขึ้นวิปัสสนานิดๆหน่อยๆเนี่ยใจที่มันถูกกิเลสรบกวนอยากบรรลุเร็วๆ บางคนก็มีปณิธานอยากไปเผยแพร่อะไรเงี้ยได้ไหลนิดนิดหน่อยๆหน่อย ม, อมันทุรนทุรายละปัญญามันล้ําหน้าไปใจมันไม่ตั้งมั่นพอใจมันไม่ตั้งมั่นสติตามไม่ทันปัญญาล้ําหน้ากลายเป็นความฟุ้งซ่านไปนสติสมาธิปัญญาแตกกระจายกระจายเหลวไหลลงมาก็าเกิดความสําคัญผิดเกิดอาการแปลกแปลกขึ้นมาเช่นรู้สึกบู้บู้บ้าบ้าอะไรขึ้นมานะ หรือขาสติไปวูบหนึ่งหรือสว่างโรงขึ้นมาบางทีสว่างโปรงขึ้นมาเนี่ยมีอาการแปลกๆอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งโอ้บรรลุแล้วบรรลุแล้วถ้าอาการหนักก็บรรลุพระอรหันต์อาการน้อยก็บรรลุโสดาสกิตาคาแต่ส่วนใหญ่ก็จะบรรลุมากๆไว้ก่อนอย่างน้อยพระอนาคาคาขึ้นไปนี่ตามสถิตินะ <c oughs> นี่พวกเราก็ไม่พึงประมาทนะสังเกตจิตสังเกตใจ ครัเมื่อไหรรู้สึกว่าบรรลุแล้วบรรลุแล้วแล้วจิตใจมันทุรนทุรายขึ้นมานะไม่บรรลุจริงหรอกถ้าบรรลุจริงมันไม่ทุรนทุรายมันไม่คันหรอกมันไม่หิวมันไม่คันถ้าบรรลุแล้วยังหิวยังคันอยู่อยากสอนอยากเป็นอาจารย์ใหญ่อยากโน้นอยากนี้อยากให้คนทั้งโลกรู้ธรรมะเนี่ยมันหิวมันคันอยู่ไม่ใช่ของจริงหรอกอาการหน้าเป็นห่วงก็ต้องสังเกตเอาเองช่วยตัวเองสังเกต มันก็จะผ่านไปแทบทุกคนนะที่เคยภาวนานะถึงจุดหนึ่งก็จะเป็นหลวงพ่อเคยเป็นเคยเป็นอยู่สองามชนิดวิปัสสนู1ิบอย่างแต่เราแก้ตัวเราเองได้เพราะว่าเราช่างสังเกตนี่อาศัยโยนิโสมนสีิการมีอยู่คราวหนึ่งภาวนาไปนะจิตรวมปุ๊บลงไปนะถอยขึ้นมาเนนึกถึงธรรมะนะไล่ตั้งแต่หมวดหนึ่งไล่ไล่จนหมวด10กว่านะมันรู้หมดเลยนะ รู้ธรรมะนี่ยกระจายตัวมาให้เราดูโอ้แจ่มแจ้งพอรู้แต่ละอันแต่ละอันแล้วพยายามจมําไว้สองสามวันนี้ความรู้มากมายเลยแต่ก็พยายามจําเนี่ยแล้วธรรมะมันถ่ายทอดเร็วนะจดไม่ทันนะถ่ายทอดถ่ายทอดเข้ามาโอ้ปัญญามากจังเลยแต่ไม่ได้คิดว่าเป็นพระอริยอะไรหรอกรู้สึกปัญญามันเยอะงกอะงกปัญญา พยายามจำไว้จำไว้สองสามวันเท่านั้นเหมือนกับเราไปไหนเราก็แบกตู้พระไตรปิฎกไปด้วยหนักหนัก่หนั ก, นกถ่ายทอดมาอีกแล้วจำแบกไปกลัวจะตกหล่นหายไปจริ ง, รงๆแล้วพระอริยะเจ้าทั้งหลายตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาท่านไม่ได้แบกธรรมะไวนะ้เวลาที่ใครสมควรฟังธรรมะอะไรธรรมะ ม, มันจะถ่ายทอดเอง เ, เราไม่รู้เราเห็นธรรมะถ่ายทอดมาเก็บไว้ก่อน วันหลังจะได้บอกคนอื่นถูกรลยเผื่อใครเขาถาม น, ะนี่ก็วิปัสสนูนะความรู้มากเกินไปแล้วก็ไปยึดถืออยู่ในความรู้นั้นอีกทีหนึ่งภาวนานสว่างปุ๊บขึ้นมาอทั้งโลกธาตุสว่างไปหมดเลยนะนี่เรียกโอภาษเป็นวิปัสสนูชนิดโอภาษโลกธาตุสว่างนะมองไปทางไหนทะลุโปร่งไปหมดเลยนะเหมือนกับมีตาเรามีเลด้าเลย ดูไปหลายวันอมันเห็นโลกธาตุนะมันไม่เห็นกิเลสตัวเองเท่านั้นแหละนี่เฉลียวใจเอ๊ะหลวงปู่บอกให้ดูจิตนิ่ไปเที่ยวดูโลกธาตุอของโกโหกหลอกลวงอีกแล้วดูสิมีแต่ของหลอกลวงมีแต่ของไม่เอาไหนนี่วันนี้เล่าเรื่องความไม่เอาไหนของตัวเองให้ฟังนะงั้นเวลาหลวงพ่อเจอคนไม่เอาไหนเนี่ยเข้าใจอยู่อีกทีหนึ่งนะภาวนาไปนะจิตรวมปุ๊บขึ้นมาโอ้โหสติ สตินี้อัศจัรร์มากเลยสตินี้แข็งปึ๊กเลยมองในดินฟ้าอากาศนะัเห็นอนุของมันเลยสติมันคมกล้ามากเห็นอากาศเป็นเม็ดเม็เม็เม็ ด, ม ด, ม ด, มดพวกเราบางคนก็เห็นเห็นเป็นเม็ดเม็นึกว่าดีนะโอ้เห็นแนละ้วไอ้ขี้ฝุ่นหรือว่าอะไร อ, อ๋อไม่ใช่ขี้ฝุ่นเพราะโตะพันเล็กเกินไปขี้ฝุ่นมันใหญ่ไปอยสตินี้คมอะไรจะกระตุกกระดิกในกายในใจรู้หมดเลย แต่ขาดความอ่อนโยนนุ่มนวลเห็นไหมเนี่ยความช่างสังเกตของเรานะมันไม่นุ่มนวลไหมสติคมไปไม่ใช่อีกละเนี่ยอาศัยโยนยโสมนาสิกานะแยบคายในการสังเกตตัวเองจิตที่เป็นกุศลมันต้องเบาต้องนุ่มนวลอ่อนโยน ค, คล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซนะื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่ถูกกิเลสไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำนะบางทีสติกล้าไปโอจิตแข็ง ขมกล้าเกินไปไม่ถูกละนะปัญญามากไปฟุ้งซ่านนี่หว่านี่มันนิวรณ์ละนะฟุ้งซ่านนี่ไม่ใช่ละนหะรือมันสว่างขึ้นมาโอ้สบายเราพอนาวความสบายเถอะทาไมมันไม่มีไตรลักษ์ให้ดูเห็นไหมนี่ความช่างสังเกตนะเอาตัวรอดได้นานน้หลวงพ่อสามสี่เดือนถึงจะได้ไปหาหลวงปู่ดุลทีหนึ่งหรือไปหาหลวงปู่เทพนะที่ก็ไปหาหลวงปู่สินมั่งอะไรบ้างหลายเดือนได้ไปทีหนึ่งนะ เพราะว่าเป็นข้าราชการไม่ได้หนีงานเหมือนข้าราชการยุคนี้นะนานๆได้ไปทีหนึ่งส่วนมากไปเนี่ยจะไปเล่าให้ท่านฟังว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะพอนามาท่านสอนไปอย่างนี้เราทำอย่างนี้เราเจออย่างนี้เราแก้มาอย่างนี้เราผ่านมาได้ด้วยวิธีนี้ถูกไม่ถูกอะไรเงี้ยไอ้ที่ไปติดขัดค้างๆอยู่แล้วไปให้ท่านแก้ให้นี่แทบไม่มีมีอยู่สองครั้งครั้งหนึ่ง จิตมันเตินปัญญาทั้งวันทั้งคืนเลยเห็นจิตมันไหวยิบยับยิบยบทั้งวันทั้งคืนหมุนจีจี๋ติ้วติ้ ว, วทั้งวันทั้งคืนนะไม่ผ่านตัวนี้สติวิ่งไปทำหลวงพ่อปุ๊ดตอนนั้นท่านเทศให้ฟังก็แก้ไม่ตกนะหลังทำความสงบเข้ามานิดเดียวก็ ก, ก็ผ่านไปเลยรู้เลยว่าการทำสมาธิทำสมถะก็มีประโยชน์มากนะมีประโยชน์บางคน ตอนเริ่มต้นยังทําไม่เป็นอ่ะแต่ว่าดูจิตดูใจไปนานๆก็ทําเป็นขึ้นมาแล้วก็อาศัยการทําสมถะบ้างทําความสงบเข้ามาบ้างทิ้งไม่ได้ดอกทิ้งไม่ได้บางคนชอบมาบอกว่าหลวงพ่อสอนแต่วิปัสนาไม่สอนสมถะเข้าใจผิดนะหลวงพ่อสอนวิปัสนากับคนที่ควรเรียนวิปัสนาะสอนสมถะกับคนที่ควรจะเรียนสมถะส่วนใหญ่พวกที่มาเนี่ยพวกเคยฝึกมาแล้วติดสมถะมาแล้วทั้งนั้น เราต้องมาแก้ก่อนก็เลยบอกสมถะไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้บางทีชี้ชวนให้มาเจริญสติอย่าไปติดความสงบความเฉยนะแต่พอเจริญสติเป็นแล้วช่วงหนึ่งก็ต้องทำความสงบเข้ามาการปฏิบัติในรูปแบบนะสำคัญนะไปเดินจงกรมนะไปนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์อะไต้องทำเนี่ยตัสมถะสำคัญนะอีกทีหนึ่งที่มีปัญหาล้วแก้ไม่ตกด้วยตัวเองนะั้นคือปีสองหก นั่งภาวนาแล้วจิตมันรวมรวมแบบขาดสติซึ่งไม่เคยเป็นฝึกมาตั้งแต่เจ็ดขวบเนี่นะไม่มีหรอกนั่งงอแงงอแงไม่มีมีแต่นั่งรู้เนื้อรู้ตัวมีสติช่วงนั้นนั่งแล้วหัวสุกหัวสุนเลยนะนั่งมือทีรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีนะหลับไปเกือบชั่วโมงแล้วเป็นไะไรกาไม่รู้เอาไปนั่งขัดสมาธิขัดสมาธิเนี่ยเจ็บที่สุดนะ นั่งขัดเพชรเจ็บทั้งังที่เจ็บนั่นแหละก็หลับอีกจิดรวมลงไปไม่รู้เน้อรู้ตัวนะหัวสู้หัวซุนเลยเน mm ี hmm. ่ยทาไงดีว่าเดินโจงกลมเดินก็หลับ mm hmm. อ๋อเดินก็เดินหลับนั่นเดินนะ่นป้งชนประตูอย่างงี้นะเอออะไรๆก็ไม่ได้นะไม่ได้พอดีขึ้นไปทางเชียงใหม่เอาไปกราบหลวงปู่สิมไปเล่าให้ท่านฟังโอ้มีอาการอย่างเงี้ยจินมันรวมตลอดวันตลอดคืนเลย ทำยังไงดีผมแก้จนสุดสติสุดปัญญาแล้วนะหลวงปู่ยิ้มหวานเลยไปหาท่านวันที่ห้าสิงหาปีสองหกห้าสิงหาหลวงปู่ยิ้มหวานผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้จะสงสัยอะไรผู้รู้ทําไปเถอะนะเดี๋ยวได้ของดีอย่างนี้ทําไปอเราไปถามท่านท่านไม่ตอบให้นะมีแต่บอกว่าอย่าไปสงสัยเลย ที่พวกเราสงสัยแล้วมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกให้รู้ว่าสงสัยฮะยังเบากว่าที่หลวงพ่อเคยเจอนั่นเราติดกรรมฐ า, านอยู่ตั้งเดือนแล้วสาหาสาาัสกันเราตัวรอดไม่ได้ไปถามท่านท่านบอกอย่าสงสัยเลยคําพูดของครูบาอาจารย์นะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะต้องต้องนักปฏิบัติต้องคิดอย่างนี้เลยเมื่อท่านบอกว่าอย่าสงสัยเลยก็เลิกสงสัยไปเลยท่านบอกทําไปเถอะแล้วจะได้ของดีเราก็ดูไปเลย เอาหลับก็หลับว่าดูมันทั้งหลับหลับนี่แหละะไม่รู้เหตุรู้ผลหรอกนะว่าอาศัยว่าครูบาอาจารย์สั่งก็ต้องทําำอย่างนี้ยวันที่เจ็ดสิงหาหนะนั่งรถทั่วกับกรุงเทพเนะี่ยจิตมันค่อยถอนขึ้นถอนขึ้นถอนขึ้นเออมันหายไปนะหลังจากนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นอีกที่แท้จิตมันมีนิพพิทาจิตมันมีนิพพิทาอย่างแรงกล้าเลยเช่อมันเอื่อมโลกไปหมดเลยเห็นโลกธาตุนี้น่าเบื่อสุดๆเลยนะ นี่พิทาพอรุนแรงจัดๆนี่นะจิตจะรวมหนีหนีโลกธาตุเลยแล้วรวมแบบทิ้งโลกภายในด้วยะทิ้งหมดเลยทั้งสามโลกนี้ไม่เอาแล้วทั้งสามโลกนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆไม่เอาแล้วนตอนนั้นไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรก็ดิ้นรนค้นคว้าหาทางแก้แก้มันทําไมอ่ะมันเป็นทางผ่านนี่อาศัยว่าครูบาอาจารย์บอกให้นเนี่ยเอาตัวไม่รอดอยู่สองทีนี้แหละ นองนั้นดูเอาเองัหลวงพ่อไม่ค่อยนิยมหลอกลูกศิษย์ช่างถามอะ่ะถ้าไม่จําเป็นจริงๆไม่ต้องหรอกเอาไว้ดูเองบ้างนะไว้ดูเองถามมากก็ไม่ดีปัญญามันจะล้าหน้าไปอะไรๆก็รู้หมดเลยไปสํานักครูบาอาจารย์นะไม่ว่าท่านเทศอะไรรู้หมดแล้วเพราะหลวงพ่อประโมทเคยพูดทุกเรื่องเลยนี่รู้หมดแล้วส อ, อนอย่างนี้เบสิก เราเรียนขั้นคลาสสิกมาแล้วโท่เรียนแล้ลากิเลสไม่ได้ใช้ไม่ได้จริงหรอกนะเหลวไหลนะ <S <S งั้นต้องค่อยๆสังเกตเอานะอะไรเกิดขึ้นอย่าเพิ่งเชื่อง่ายๆค่อยๆทดสอบค่อยๆสังเกตไปจิตใจของเราเนะี่ยมันพ้นทุกข์พ้นร้อนได้จริงไหมมันไปนติดมันไปคล้องอะไรอยู่หรือเปล่านะถ้ารู้ไม่เท่าไม่ทันเนี่ยเดี๋ยเป็น ม, มีปัสสนูไปศนะัตรูที่เป็นอุปสรรค เป็นสิ่งล่อลวงเวลาที่ทําสมถะนะคือนิมิตศัตรูที่ล่อลวงเวลาทําวิปัสสนานะีคือวิปัสณูดนะังนั้นกว่าจะมีวิปัสณูได้ไม่ใช่ธรรมดาหรอกก็เก่งเหมือนกันนะแต่เก่งแบบโงงๆยังไม่พอถ้าน้อมใจเชื่อนะก็แก้ยากบางคนแก้ยากแก่พวกวิปัสณูคนหนึ่งนะใช้แรงเยอะใช้แรงมาก แต่ดีกว่าแก้คนบ้านะเพราะงั้นถ้าใครมีสมัครพักพวกเป็นบ้านะพาไปหาหมออย่าพามาหาหลวงพ่อนะ mm hmm. เหนื่อยแค่สอนคนดีๆทุกวันนี้ก็เหนื่อยแทบขาดใจอยู่แล้วนะแต่ละวันแต่ละวันเพราะ้นพวกเราช่วยหลวงพ่อหน่อยนะอย่าหาเรื่องให้หลวงพ่อเลยนะลําพังสอนก็เหนื่อยแล้วนะส่วนมากมาเพิ่มปัญหาให้ครูบาอาจารย์ไม่ดีหรอกนะให้คอยรู้ทันกิเลสของเราไป อาไปเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับ